นนโยมมาเยอะนะมาใหม่ๆก็เยอะเรียนแบบหลวงพ่อนะั้นเรียนได้ทีละคนสองคนหลวงพ่อไม่ได้เปิดเลคเชอร์ไม่ได้เปิดบรรยายเปิดจัดคอร์สเรียนได้ทีละหลายหลายร้อยคนนะเรียนธรรมะอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อแค่สอนให้พวกเรานะหัดรู้ทันจิตใจของตนเองรู้ทันร่างกายเคลื่อนไหวให้คอรู้ทัน คอยสอนให้รู้กายรู้ใจตัวเองท่านไม่ได้สอนอะไรเยอะหรอกนะงั้นนั่งฟังหลวงพ่อพูดฟังไม่รู้เรื่องไม่ต้องกลุ้มใจนะฟังหลวงพ่อไม่รู้เรื่องกลุ้มใจรู้ว่ากลุ้มใจนี่เรียกว่าฟังเป็นแล้วนะฟังหลวงพ่อไม่เข้าใจนะกลับบ้านไปกลางคืนหมาข้างบ้านมันเห่าหนูผูโมโหมันรู้ว่าโมโหออย่างเนี้ยรู้เรื่องแนละ้วมันง่ายขนาดนี้ไม่ใช่เราไปวาดภาพการปฏิบัติยุ่งยากหวังว่าจะมาเรียน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 ไปกลางกรวดนอนกลางคืนเป็นคืนดึกแล้วเพื่อนมันเอาหัวมาชนแขนนะนึกว่าเพื่อนเนมาเบียดนอนเพราะมันหนาวก็ไม่ว่าอะไรนะมันเบียดเบียดเสร็จแล้วนึกขึ้นได้เอ๊ะมันอยู่นอกกลวดเอะที่มันเบียดเข้ามานะค่อยๆหลีตาไปดูใครเป็นหมีเห็นไเดี๋ยสัมผัสที่ว่าเพื่อนมากระทบไม่ว่ากันคราวนะี้สัมผัสนี้ก็ยังสัมผัสอย่างเดิมอะ่ะการกระทบก็ยังอย่างเดิมนะเพราะเห็นว่าหมีเท่านั้นอะ่ะ มันไม่เหมือนเดิมแนละ้วเนไเนี่ยใจมันไม่เหมือนเดิมเนี่ยนักปฏิบัติก็คือคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตใจเราไปเรื่อยเราจะเห็นเลยจิตใจเราไม่เชี่ยงเปลี่ยนทั้งวันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายฝึกอยู่เท่านี้แหละพอแล้วะไปเรียนนะแล้วไปทาําเมาเรียนแล้วก็ไปทาําเมาธรรมะไม่ทำเมาเองใช้ไม่ได้หรอกหลวงพ่อไปอยู่กับหลวงปู่ดูลนะเรียนกับท่านเรียนทีดึงไม่กี่ประโยค ไม่กี่ประโยคครั้งแรกไปหาท่านยี่สิบสามกุมภาสองห้าเาไปกราบท่านหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติหลวงปู่มองหน้าแว้บหนึ่งหลวงปู่นั่งหลับตานั่งกั้โยกนะท่านต้องฉันข้าวเสร็จมาใหม่ๆเลแล้วท่านก็นั่งหลับตาไปชั่วโมงนะเราก็โอ้หลวงปู่หลับไปแล้วหลวงปู่อายุต้องเก้าสิบห้าแล้วตอนนั้นคงจบฉันข้าวเสร็จคงเหนื่อยหลับไปแล้วไม่ได้สอนธรรมะเราสักที พอลืมตาขึ้นมาสอนสองสามประโยคเองการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเอง<ม>เข้าใจไหมเข้าใจครับเข้าใจไปไปทาเอาเนี่ยหลงพ่อนะเรียนจากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ไม่เคยประพบตงปงมหลวงพ่อเลยนะนี่จะไปเรียนได้หลักแค่นี้สอนเท่านี้ให้ไปทำเอาเองแล้ว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 ทำไปมันก็เข้าใจสู่ธรรมะอันเดียวกันนั่นเองแต่ ว, ว่าสัมนวนโมหานน่ะไม่เหมือนกันแต่ละองค์แต่ละท่านทีหนึ่งนะครั้งที่สองไปหาท่านดูจิตมานะคล้ายๆของคุณผู้หญิงเนี่ยลูกศิษยคท่านจันแบนเนี้ยโอ้จิตจะงโน้นจิตอย่างางี้แหบมบรู้เยอะเลยะดีใจแล้วเจอจิตแล้ว <laughs> ไปเล่าถวายท่านยิ้มมากเลยแกยิ้มใจนะฝึกอยู่สามเดือนแล้วไปเล่าให้ท่านฟังจิตเป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างนี้ ท่นตอบเอานั่นบป็นาการของจิตไม่ใช่จิตหรอกไปดูใหม่ไป <c oughs> แล้วท่านเรียกให้ไปเนี่ยนั่งตื้อๆหน่อยแหมนั่งรถมาทั้งคืนเลยสอนรับประโยคเดียวแล้วทําไม่รู้ไม่ชีนั่งตื้อๆไปท่านก็สอนเรื่องจิตคือพุทธะให้ฟังโอ้อะไรท่านนะฟังท่านก็ฟังไม่ออกนะภาษาท่านอ่ะสำเนียงท่านเสียงท่านก็เบาอายุก็มากนะ พูดก็เร็วที่สุดแล้วเสียงโตโ ต, โตลงปู ด, ดูนะนะฟังท่านก็ฟังไม่ออกนะธรรมะท่านก็แปลกนะียต้นเหตุที่เกิดรูปน้ำจกักรวาลเป็นเหตุที่เกิดพบเจิดวงดาวต่างๆนับทวนพอมีจิิตนะเนี่ยเหมือนอย่างนี้เปียบเลยล่ะนะนะฟังแล้วฟังไม่ออกสักคำนะนานๆได้ยินสักตวงนะฟังไปท่านท่านสอนอยู่สี่สิบห้านาทีจบจิตคือพุท ธ, ธะ หลวงปู่ครับที่หลวงปู่สอนมาทั้งหมดเนี่ยผมดูจิตอย่างเดียวพอไหมก็ <c oughs> ฟังไม่รู้เรื่องนะท่านสอนมาธรรมะแปดหมืนสี่พัน้ธรรมขันรวมลงที่จิตอันเดียวนี้แหละนะให้รู้ลงที่จิตอันเดียวนี้ไปไปทเาอนะเอาไล่อีกแล้วเอาไล่กนะ็ไปกับทาเอาครั้งที่สามไปรายงานท่านอีกนะรายงานอีกสี่เดือนฝึกไปสี่เดือนไปรายงานใหม่เออดีแล้วนะ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 ไหนท่านจะโขกเอาท่านก็โขกเอานะคนไหนท่านเห็นว่าช่วยตัวเองได้ท่านให้ไปช่วยตัวเองถ้าหลวงพ่อโอ้ทําไมสอนองค์นั้นเยอะสอนเราน้อยนะน้อยอกน้อยใจครูบาอาจาร ย, ย์ลําเบี้ยเงยตกนรกอีกแทนะ <c oughs> ที่แทนที่จะได้ธรรมะทำ <c oughs> ไมสอนคนนน้นเยอะสอนเรานิดเดียวพวกเราหลายคนนะนั่งในห้องเนี้ยบางคนก็บน่นนะหลวงพ่อไปคุยด้วยพ่อไปคุยด้วยได้ไงตั้งเยอะ นะฟังเอาสิฟังเอาจับหลักให้ได้แล้วก็ไปช่วยตัวเองนะหลวงพ่อสอนแบบสอนเลคเชอร์นะสอนสอนแล้วก็ไปทำเอาเองไม่ใช่สอนอย่างอาจารย์คุมแลบหรอกบางขั้นถูกสอนแบบอาจารย์คุมแลบนะพาเดินพานั่ ง, งคอควบคุมแลนะแต่จริตนิสัยครูบาอาจารย์หลวงพ่อถูกครูบาอาจารย์ฝึกมาให้แกร่งฝึกมาให้แกร่งให้ช่วยตัวเอง แล้วหลวงพ่อพยายามฝึกพวกเราให้แกร่งให้ช่วยตัวเองอย่าติดครูบาอาจารย์นะเคยเห็นสมัยก่อนไปนั่งอยู่กับหลวงปู่เทศดรือยหมดหลวงปู่ดูนะ้อไปอยู่กับหลวงปู่เทศไปบ่อยแล้วจะเจอผู้หญิงคนหนึ่งชอบมากราบหลวงปู่เทศนะมาถึงนะเนี้ยเริ่มอยู่อย่างเงี้ยเริมแล้วหลวงปู่ก็ใจดีไม่ว่าอะไร อีกสองปีสามปีสี่ปีนะักเจอแก่ก็เคลิมอยู่อย่างเงี้ยนึกในใจนะหลวงปู่ใจดีนะเป็นเราที่โขก บ, บาปให้มาเรียนแล้วมันจะได้ไรเรียนอยู่อย่างเงี้ยเรียนแล้วเอาแต่ติดครูบาอาจารย์เข้าใกล้แล้วมีความสุขอย่างเดียวเมื่อไหร่จะเข้มแข็งยครูบาอาจารย์ไม่ได้เลี้ยงเราให้เป็นลูกแง่เลี้ยงเราให้เป็นลูกที่โตขึ้นมาช่วยตัวเองได้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 ่หลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์ไปก่อนเนละไปถามนั่นอยู่แค่นี้แหละท่านก็บอกทําต่อไปทาต่อไปแล้วก็ทำต่อไปอ้าวครูบาอาจารย์ใส่เขียวลและวแสดงว่ายังไม่ได้เดินออกนอกลูก่นอกทางทาต่อไปนะครูบาอาจารย์ถ้าจะเทียบเทียบนะมีอยู่คนนึงฉลาดมากเลยมาฟังหลวงพ่อหลายครั้งฟังไปฟังมานะฟังอยู่เป็นปีเลยยกมือดิฉันว่าหลวงพ่อไม่เคยสอนอะไรเลย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 ไม่ปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อคนอื่นนะปฏิบัติเพื่อตัวเองแค่แท้เลยไม่ามาท้อแท้ใจที่จะทําความดีใส่ตัวเองใครเขาจะมาช่วยเหลือคนชนิดนี้คนไม่ช่วยตัวเองต้องช่วยตัวเองนะต้องช่วยตัวเองให้ได้พระมาหาชนก้ไม่ไว่ายน้ำนะรอนางเมขลาช่วยก็จมน้ําตายเท่านั้นเองต้องช่วยตัวเองให้ดีด้วยการคอยสังเกตเอาะไม่ใช่คิดเอานะว่าอย่างนั้นถูกอย่างนี้ผิดอย่าไปคิดเอา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 จริงหรือไม่จริงกายเนี้ยเป็นทุกข์หรือเป็นสุขไปดูเอาเองนะวิธีดูก็นั่งไปนั่งให้สบายเลยนั่งเก้าอี้ก็ไดนะ้นั่งแล้วอย่าเครื่งกระดุกกระดิกนะนั่งไปดูซิมันจะสุขหรือมันจะทุกข์เดี๋ยวมันก็เห็นเองแหละนะกายนี้เป็นวัต ถ, ถนะุหายใจเข้าหายใจออกนะี่วัต ถ, ถุมันเคลื่อนไหวกินอาหารเข้าไปขับถ่ายออกนะี่วัตถุมันก็เคลื่อนไหวจริงหรือไม่จริงไปดูเอานะ กานี้ถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลาจริงไหมไปดูเอาพอเราดูแล้วเรามันจะทราบซึ้งถึงใจนลำพังคิดคิดเอาฟังฟังเอานะไม่ทราบซึ้งถึงใจละกิเลสไม่ได้ไปดูของจริงแล้วมันทราบซึ้งถึงอกถึงใจนะถึงจะละกิเลสได้ดูเข้าไปที่จิตจิตนี่ไม่เที่ยงเลยเปลี่ยนแปลงทั้งวันดูเข้าไปถึงจิตถึงใจนะมันจะละความเห็นผิดได้โอ้จิตไม่ใช่ตัวเราจริงๆนี่มันละกิเลสได้ นั่งคิดเอานะไม่มีทางละเลยเอา้าลิซ่าเป็นไงส่งกันบ้านไหมอุตสามาือลงอยู่นะดีแล้วลิซ่าลิซ่าดูไปนะลิซ่าพอใช้ได้แล้วละ่ะดูไปเรื่อยๆคุณรัตนีเมื่อเช้าที่เห็นในหมู่บ้านนะ่ะดีแล้วนะตรงที่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะนะั่นี่ยะแล้วก็รู้สึกตัวไปเรื่อยๆอย่างนั้นน่ะดีตรงนี้ไม่ดีนะตอนเนี้ยมันชื่อๆอีกแล้วดวูออกไหม มันทื่อซึมอะไรเงี้ยนะไม่ดีนะซึมซึมทื่อๆไม่ดีเอาหนุ่มเสื้อสีฟ้าใสแว่นเนย่ยใจลอยไปนานใจลอยนิดหน่อยไม่น่าเกลียดนะใจลอยนานน่าเกลียด <นะ S 2> ไปรู้สึกไปรู้สึกไปเรื่อยเวลาเรารู้สึกตัวใจเราไม่ลอยไปเนี่ยเราจะรู้กายรู้ใจได้ถ้าเราเผลอไปนะแต่อย่าเราไปคิดเนี่ยเรารู้เรื่องที่คิดนะเราจะลืมกายลืมใจตัวเอง เมื่อไรทิ้งกายทิ้งใจตัวเองลืมกายลืมใจตัวเองเมื่อนั้นไม่ได้ปฏิบัติอ่ะการปฏิบัติเนี้ยต้องให้ค่อยรู้กายรู้ใจเรียกว่าปฏิบัติอาคุณนี่ละ่ะทำอะไรอยู่เมื่อกี้เนี้ยเออดีสอบถูกใช่ได้มาที่นั่งข้างหมอเตี่ย ม, มาด้วยกันละ่ะน้องชายเหรอวพี่ชายก็ไปบอกหน่อยน้องชายนี่ไม่ค่อยได้เข้าวัดมั้งใช่ไหม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 อ้อะไรก็ไม่เห็นตัวอย่างแะไม่เป็นไรทนๆไปเ <laughs> ป <c oughs> ็นเกณฑ์ไม้ใจเราชอบลอยแวบๆบแบบไปเดี๋ยวก็ไหลแวบบเดี๋ยวก็ไหลแวบบดูออกไหมให้คอยรู้ทันไปอย่างตอนเนี้รู้สึกไหมใจเรานิ่งๆแหละนิ่งๆเมื่อกี้ไม่นิ่งรู้สึกไหมตอนนี้นิ่งกว่าเมื่อกี้ดูออกหรื อ, อยังนให้หัดดูไปอย่างเงี้ยรู้สึกไหมร่าเริงใจขึ้นมาอีกแล้วรู้สึกไหมเออคราวนี้เริ่มดูออกแล้วเห็นไหม ยังดีนะดูเร็วเร็วบางคนสอนแล้วดูยากหลวงพ่อบอกนะเอารู้สึกตัวไว้ดิฉันไม่เคยเผลอเลยค่ะไอหลวงพ่อฟังแล้วสะท้อนใจแล้วบอกดิฉันไม่เคยเผลอเลยก็คือดิฉันคือพระ อ, อ, อ, อรหันต์ค่ะนั่น่ะใจลอยอีกแล้วน้องหมออะรู้จักหรือยังรู้จักใจลอยรือยังแกมันีวิคิดนั่นแหละมันชอบหนีไปเรื่อย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 มีอยู่คนนะเขามีเทปอยู่มวนเดียวนะฟังจนเทปยืดเลยแล้วก็ตื่นเลยนะคุณสุรภูมิเป็นไงคุณสุรภูมิส่งขันบ้านหนะ่อยอะไรนะอ๋อก็ตเตนให้เป็นใหน่อยนะเห็นใหน่อยคุณกวีพรน่ะเป็นไง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 ได้เนี่ยตัณหาทําให้เกิดอุปาทานใช่ไหมตัณหาเป็นความอยากก็ผลักดันให้เกิดการยึดหรืออุปาทานพอยึดแล้วก็เกิดการทํางานทางใจเรียกว่าการสร้างภพเสร็จแล้วก็เกิดกูขึ้นมาเราอย่างโน้นเราอย่างงี้ขึ้นมาแล้เกิดความสําคัญมั่นหมายในความเป็นตัวเราขึ้นมาแล้วจิตใจก็เป็นทุกข์ขึ้นมาแต่ว่าความอยากไม่เราห้ามไม่ให้เขาเกิไดไม่มีอะไรที่เราห้ามได้เลยเพราะสัพเพ สังขาราอริจาสัพเพธัมมาหน้าตาเนี่ ย, อ, อ, ยอ่าเป็นวันหนึ่งเขาหมดเองนะหมดอยากากานนา็หมดการดิ้นรนทางใจหมดการดิ้นรนทางใจหมดการทํางานทางใจก็เหลือแต่กิริยารุนรุนเป็นเรื่องของพระอรหันต์นะั้วเราก็อย่างอ่าเราเห็นจิตใจของเรามีความอยากขึ้นมาแล้วก็ทุกข์ขึ้นมาทํางานไปแล้วก็ทุกข์ขึ้นมานั้นเห็นถูกต้องแล้ว เห็นไปจนปัญญามันแจ็มแจ้งโอ้มีความอยากทีไรก็มีทุกทุกทีดิ้นรนทีไรก็ทุกทุกทีจิตใจก็จะตั้งมั่นไม่ดิ้นรนแล้วก็รู้สึกจิตใจมีความสุขนี่เห็นผิดอีกละวเห็นไหนี่เป็นความเห็นผิดอย่างพระอนาคามีเห็นจิตจิตที่ตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นี่มีความสุขจิตที่หลงไปไหลไปอยากไปยึดไปมีความทุกข์จิตเยังมีสองงานมีสุขมีทุกข์อยู่ เรีรู้ไปเรื่อยวันหนึ่งจิตนี่ตัวทุกข์ล้วนๆ่อยนี่นั่นถึงเรียกว่าเห็นขันเป็นทุกข์นี่ยังไงกคือการทำ ง, งานอะต่างๆที่มีปัญหาที่ต้องมาจิตใจเราเนี่ยมันคือแค่ลาบากค่ะเพราะน้องในในใ ค, คือเราไม่ไม่รู้ทันแล้วก็ไปสําคัญมั่นหมายขึ้นมาเราไม่อยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนี้นะ ไ, ไม่อยากให้มันปรุงเข้ามาถึงจิตทําอะไรทําให้ไม่อยากปรุงเข้าถึงจิต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 กายนี้ใจนี้ขันนี้เป็นของโลกนะยืมเข้ามาใช้แต่ว่าคิดว่ามันเป็นของเราก็าหวงมันไวรักมันมากอยากให้มันสุขถาวรอยากให้ดีถาวรบุษฎาทมอย่างนู้นอย่างนี้แต่ละคนก็วิ่งหาความสุขทั้งนั้นหมาแมวก็วิ่งหาความสุขนะแต่วิ่งหาตามภูมิปัญญาของแต่ละคนคนทั่วทั่วไปก็วิ่งแต่หาอารมณ์ที่ดีคิดว่าถ้าได้อารมณ์ดีแล้วจะมีความสุขพวกนี้ก็เลยเป็น สุดโตไปข้างกามสุขาริการุโยคเที่ยวแสวงหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจหรือเป็นการหลงตามกิเลสเรียกว่าอาปุญญาที่สังขารหนะลงความปรุงแต่งฝ่ายชั่วนะเช่นรุ่มใจขึ้นมาไปกินเหล้าทำไมทาไมไปกินเหล้าก็อยากมีความสุขนั่นแหละกลนะุ่มใจขึ้นมาไปดูหนังฟังเพลงทําไมไปดูหนังฟังเพลงก็อยากมีความสุขแหละนะ หรืออย่างโยเป็นโสดดีๆอยากมีเมียหวังว่ามีแล้วมันจะมีความสุขแล้วแหละนะลึกๆก็คืออนเดียวกันหมดแหละแมวไปว่าไล่จับนกมากินก็หวังว่าจะมีความสุขเนี่หลงปรุงแต่งใส่ชั่วยิ่งหาอารมณ์มาตอบสนองกิเลสไปเรื่อยๆคิดว่าตอบสนองกิเลสได้แล้วจะมีความสุข น, นี่ยเป็นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของทุนนิยมน่ะ พยายามเพิ่มการผลิตขึ้นมาเพิ่มการบริโภคขึ้นมาได้บริโภคมากๆแล้วจะมีความสุขเออมันทุกข์รุนแรเอ่ะมันสุขเหมือนกันนะมันสุขอย่างโลกโลกจริงๆก็เป็นขยะเลยเป็นของรุงรังนี่พวกนักปฏิบัติก็หาความสุขอีกแบบหนึ่งหาทางฝึกจิตของเรา ลำพังเห็นว่าลำพังเที่ยวหาอารมณ์ที่เพลิดเพลิน พ, พอใจนั้นได้บ้างไม่ได้บ้างสู้ฝึกจิตของเราให้ดีไม่ได้ถ้าจิตของเราไม่รู้รอนรู้หนาวแล้วมันจะมีความสุขพวกเนี้พยายามฝึกจิตให้ดีก็เรียกว่าปุญญาที่สังขารอยากเป็นคนดีหรือเรียกว่าอัตตากิลมัทฐานิโยกการบังคับกายบังคับใจตัวเองอีกพวกหนึ่งนะฉลาดกว่านั้นอีกเห็นว่าลำพังจะรักษาจิตให้ดีถาวรมันทําไม่ได้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 บอกว่าเป็นกลางก็กลางเหมือนกันอ่ะกลางเพราะว่าบังคับจิตเอาไว้อา้าวคุณจิตของบรรยายนกิ็เน่องงขอการนไม ก็ดีแล้วนะถ้าบวชแล้วสติเกิดไว้ขึ้นจิตใจตั้งมั่นด้วยปัญญาเนยสติด้วยปัญญาก็ดีแล้วนะดีแล้วทำแสงเทียนนี่อาจารย์อะไรจะ เป็นธรรมชาติของจิตนะเจริญแล้วเสื่อมจิตของผู้ปฏิบัติเนี่ยไม่ว่าระดับไหนนะก็เป็นธรรมชาติที่จเจริญแล้วก็เสื่อมเหมือนเมืๆกันหมดบางวันจเจริญขึ้นไปสติปัญญาว่องไวเหมือนจะบรรลุมรรคผล น, นิพพานใกล้ๆแล้วอีกวันนึ่งทำไม่เป็นเลยเสื่อมเวลาเสื่อมเนี่ยคนมักจะตกใจตกใจมักจะดิ้นรนหาทางแก้ยิ่งดิ้นรนก็ยิ่งแย่สิ แล้วมันเสื่อมก็รู้ไปว่ามันเสื่อมมันของไม่เที่ยงพอเราทําใจได้ว่าเออมันของไม่เที่ยงนะมันก็หายเสื่อมเพราะอะไรเสื่อมก็ไม่เที่ยงเหมือนกันอย่างใจเราโกรธขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องไปหาทางทําให้หายโกรธนะยังไงมันก็หายเพราะมันไม่เที่ยงใจมันเศร้าหมองไม่ต้องไปทําอะไรหรอกตามรู้ตามดูไปความเศร้าหมองก็ไม่เที่ยงรู้ไปเรื่อยๆแล้วมาันเดียวเหร๋ยวพี่ชายไม่มา อ่าอาจารย์อาจารย์ปู อ, อ, อ, อื ม, เ, มออ เ, เอ อ, อที่ที่เห็นนะเออแต่ว่าเราหว่ากับวจิไม่มีที่พึ่งะเียมันไปถา่ออเออถูกแล้วเรายังไม่มีที่พึ่งนะออบางทีมันก็แบบคิดดูถามว่าเอ๊ะจะปหาไึไเออที่พึ่งไม่มี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 พระพุทธเจ้าสอนนะว่าถ้าเราไปเรียนธรรมะ ก, กับใครแล้วท่านผู้นั้นสอนเราได้พระโสดาบันนี่ยมีบุญคุณกับเราที่สุดเลยนะเป็นพ่อเป็นแม่ส่วนท่านที่สอนให้เราได้สกิทาคานาคาพระอรหันต์นี่ยท่านบอกเป็นแค่พี่เลี้ยงเท่า น, นั้นพ่อแม่คือผู้ให้กำเนิดนให้กำเนิดเราในทางธรรมคือท่านที่สอนให้เราได้พระโสดาบันคืออย่างพระสารีบุตร พระสารีบุตรเนี่ยเป็นอัครส า, าวกแต่ท่านไม่ได้ถือว่าท่านเป็นลูกพระพุทธเจ้าเต็มที่นะเวลานอนเนี่ยท่านหานศีรษะไปหาพระอสสชิตเพราะว่าท่านได้ดวงตาเห็นธรรมได้โสดาจากพระอสสิพระนนทอยู่กับพระพุทธเจ้านะแต่ท่านสังใจกับพระปุณณมันตานีบุตรท่านฟังธรรมของพระปุณณมันตานีบุตรแล้วได้พระโสดาบัน เวลาของเราปฏิบัติไปใจเราเข้าถึงธรรมเพราะครูบาอาจารย์องน์นี้ใจเราจะผูกพันเหมือนเป็นลูกของท่านคนนี้ครูบาอาจารย์อื่นๆจะดีจะพิเศษแค่ไหนนะเราจะมีความรู้สึกเหมือนพี่รู้สึกท่านเป็นเหมือนพี่จะไม่มีความรู้สึกผูกพันเหมือนพ่อเหมือนลูกหรอกทำไปเจนกระทั่งมีที่พึ่งของตัวเอง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 มอนเพงอมันก็มีสามอย่างนั่นแหละทีนี้บางวันเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมีวูบเยอะก็เลยม่ฆ่าว่าวูบก็ให้มันรูปไปมันเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเรานะและที่เราก็คือรู้สึกไปมันเยอแล้วมันเลือก่าใจไม่เราทนหะให้รู้ทันว่าใจไม่ดีแตู่อะไม่เป็นไรอะไรก็ได้รู้ไปอย่างที่มันเป็นไม่ห้ามนะไม่ฝืน ไม่กลัวผมล right. like hmm. ูกฟักไม่ไ hmm. ด้ไปอย่างนี้ไม่เป็นไรใช่้ทไปอย่างนี้นะนี่แหลมีสภาวะสามัญนะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เผลอไปเดี๋ยวก็เพ่งไว้ไม่ว่าทากรรมฐานอะไรมันก็มีสามัญนี้แหละเหมือนกันหมดเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยสามคุณวุฒิเป็นไหมจันตู๋วเป็นไหมติดเพ่งมันก็มีแต่เพ่งสิ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 ดูจิตลูกเดียวก็ละเอียดไปก็มารู้กายเอากายเป็นตัวช่วยร่างกายเคลื่อนไหวกระดูกกระดิก่ก็ครู้สึกเดียวก็จะรู้สึกจิตได้ชัดด้วยรู้กายชัดก็จะรู้จิตชัดถ้ารู้จิตได้ ช, นชนานิชำนาญจิตใจชัดเจนก็รู้กายชัดเจนนะมันอิงอาศัยกันอยู่เอาคุณวุฒิะคุณวุฒิอคุณมด <Yeah. S 1> หมนเนีนะ mm hmm. เป็นมากี่วันแล้ว อ, อ๋อวันนี้ไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรอยากไว้ก็ดีล้ว <c oughs> ดีกว่าปล่อยวาง <c oughs> ไม่ปฏิบัติแล้วปล่อยยังไม่ใช่เวลาที่จะปล่อยเวลานี้ยังต้องทํางานอยู่อยากปฏิบัติไว้หน่อยหน่อยดีแล้วนะมีตัณหาเพื่อไปละตัณหาพรนะพรานนท์นนเคยสอนมีตัณหาเพื่อละตัณหามีมานณ์เพื่อละมานะ์มีทิตถีเพื่อละทิตฐิ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 นั่งสมาธินะคอยนั่งนั่งหายใจหรือนั่งยังไงล่ะอ๋อไม่ได้นั่งไม่ได้นั่งสมาธิก็ไม่เป็นไรนะหัดพุโทโธไว้ก็ได้ท่องพุโทโธพุธโทโธในใจเราอ่บคอยนึกแต่คาว่าพุโทโธไปเรื่อยๆนะนึกนึกไปสักพักหนึ่งใจเราจะหนีวิคิดเรื่องอื่นเราก็รู้ทันว่าใจเราหนีไปแ ล, แล้วเราก็มาพุโทโธใหม่พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปหนีไปอีกล้ หนีไปคิดเรื่องอื่นอีกแล้วก็รู้ทันว่าจิตหนีไปแล้วมาพุทโธพุทโธไปชักเคลิมเคลิมแล้วเคลิ้มเคลิมลืมตาขึ้นมาอา่าอย่านั่งหลับตานะลืมตาไวเอาลืมตาไว้ อ, ไวอย่าหลับตานั่งหลับตาอย่างนั้นเดี๋ยวก็เคลิ้มหรอกมาด้วยกันหรือเปล่าสกิลหน่อยเร็ว <laughs> อย่าเคลิ้มนะไปรู้สึกไว้พวกเราชอบนั่งแล้วเคลิ้มเคลิมไม่ดีนะ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 หายใจไปแล้วใจจะเคลิมเคลิ้มรู้ว่าใจเคลิมเคลิมหายใจแล้วมีปีติรู้ว่ามีปีติหายใจแล้วมีสุขรู้ว่ามีความสุขสรุปแล้วก็คือหายใจเพื่อจะรู้ทันใจตัวเองหายใจไปเรื่อยเร่อรู้ทันใจตัวเองไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวมันก็สงบเองอ้าลืมตาก็ได้เคยเห็นพระพุทธรูปหลับตาไหมดูสิมีองค์ไหนหลับตา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 จะรู้ลมหายใจก็รู้ไปเรื่อยๆใจเราจ่อรู้อยู่กับลมหายใจมีความสุขมีความสงบขึ้นมานไม่ใจลอยไปไม่เคลิมเคลิมถ้านั่งแล้วก็งอแงกงงอแงกนะเดี๋ยวคอเคล็ดลำบากอย<ม>่างหลวงพ่อบอกว่าเวลานั่งสมาธิก็นั่งกำหนดลมหายใจหรือพุทโธอย่าให้ขาดสติบางคนก็เอาคำพูดของหลวงพ่อไปปลอมนะ เอาไปคุยต่อบอกหลวงพ่อประมวดสอนบอกไม่ต้องนั่งสมาธิหลวงพ่อบ้าอะไรสอนอย่างนั้นเนาะบางคนบอกหลวงพ่อประโมวดสอนหลวงพ่อบอกว่ายืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวไปอย่าให้ขาดสตินะเห็นกายนี้ยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนรู้คนดูไม่ต้องตั้งท่ามากหรอกขยับขยื่นคอยรู้สึกไปเอาไปเล่าต่อบอกหลวงพ่อประมวดสอนว่าไม่ต้องปฏิบัตนะิเนี่ยไปน่น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 ไม่ใช่ต้องเดินท่านี้เท่านั้นถึงจะเรียกว่าปฏิบัติต้องกลับไปกลับมาเดินกลับไปกลับมาเท่านั้นถึงจะเรียกว่าปฏิบัติเดินไปธุระเนี่ยไม่ใช่ปฏิบัติไม่ใช่แล้วนะนี่เรียกว่าไม่รู้จักการปฏิบัติแล้วการปฏิบัติที่แท้จริงอจะเดินจงกรมกลับไปกลับมาหรือจะเดินไปทําธุระอะไรนะต้องรู้สึกตัวต้องมีสติเหมือนกันทั้งหมดเลยเยมื่อไราขาดสติเมื่อนั้นขาดการปฏิบัติหลวงพ่อบอกว่าอย่าไปติดแค่รูปแบบนะ นั่งอยู่อย่างเนี้ยก็ต้องนั่งปฏิบัติยืเนเดินนั่งนอนต้องทําตลอดนะมีคนไปฟ้องหลวงพ่อที่หัวหินบอกหลวงพ่อปราโมทบอกไม่ต้องปฏิบัติก่อนจริงคือหลวงพ่อองนั้นท่านชอบให้เดินจงกรมนะนี้เดินจนขาเดี้งแนละ้วนะรู้สึกไม่ไหวแล้วเจ้าเล่นะเรีบมาถามหลวงพ่อปราโมทหลวงพ่อคะการปฏิบัติเนี่ยเราต้องทําในทุกอิริยาบถใช่ไหมคะเี่ยหลวงพ่อไม่มีทางตอบว่าไม่ใช่ใช่ไหม เพราะว่าจริงๆมันใช่มันต้องทำทุกิริยาบถจนะ แ, แจ้งวิ่งไปบอกครูบาอจารย์หลวงพ่อฟ้าโมทดบอกไม่ต้องปฏิบัติหรอกไม่ต้องเดินจงกรมนะโอ้โหลูกติดเจ้าเล่เยอะมากนะหลวงพ่อที่เจอแทบทุกวันเลยเมื่อวานนี้ยังเจอเลยนะิชาเล่าให้อาติสังเอาหลวงพ่อไปแอบอ้าง ไปเทศสอนชาวบ้านเขาเย่งเลยนะบอกหลวงพ่อว่าอย่างนี้องี้หลวงพ่อยังไม่เคยรู้เรื่องเลยนะโอเยอะมากเลยลูกฝิดชั้นหนึ่งวันดีคืนดีก็บอกหลวงพ่อว่าคนนั้นอย่างงี้หลวงพ่อยังไม่รู้เลยหมาได้แปลกแปลกนะนบางทีนะออยากเอาอย่างวัดโน้นท่านบ้างนละสอนแต่พระตาำไม่ค่อยยุ่งนะถ้านะสอนง่าย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 เห็นกิเลสนะมันวันหนึ่งเหมือนอยากพ้นกิเลสถ้ามองกิเลสไม่เห็นมนะันก็นอนแช่อยู่กับมันกี่ชาติก็ไม่พ้นออกเมื่อนักปฏิบัติคนที่ไม่เคยเจริญสติจะรู้สึกว่าดีฉั้นดีถาวรเลยดีฉั้นเป็นคนดีผมเป็นคนดีลงมาเจริญสติสิโอหาคนชั่วเท่านี้หายากนะ <c oughs> ถามดูแต่ละคนเนื้อูนะวิชาตว่าไงเออคุณปราดาเป็นไง กิเลสเยอะไหมเยอะนะยิ่งภาวนาเก่งๆนะยิ่งกิเลสเยอะแยะเลยเยอะว่กกิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดเยอะแยะกิเลสพันห้าตันหารย้ยแป ด, น, น, แปดนะสู้สติไม่ได้น ะ, ะมีสติไวอ้าคุณเสื้อเหลืองส่งกันบ้านมาบ่อยๆ ไม่แน่ใจให้รู้ว่าไม่แน่ใจนะนี่เป็นประโยชน์เดียวหลอกพ่อต้องไปรวมไว้ในหนังสืออีกแล้วเขนะาเรียกอะไรนะ FAQ หรืออะไรจำไม่ได้ล้วรวมไว้ในปฏิบัติเยอะแล้วนะคาถามนี้คนถามบ่อยๆนะประเภทที่ทําอยู่นี่ถูกหรื อ, อยังนะกําลังสงสัยอยู่ว่าที่ทําอยู่นี้ถูกหรื อ, อยังให้รู้ว่าสงสยัยนะทันทีที่รู้ว่าสงสัยนะี่ถูกทันทีเลยเรียกว่าเรารู้ลงปัจจุบันแล้วก็ถูกละนะ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 พรามมันจะคิดมากขนาดนั้นอยากรู้ว่าเชื้อโรคมีจิตไหมถามอาจารย์นะอา้าวชาวระยองรู้จักใจลอยไหมน่าใจลอยเรารู้ว่าใจลอยใช้ได้แล้วอา้าวคนโน้นว่างไงลืมชื่ออีกแล้วเราอะที่ไปบวชมาเออชื่ออะไรเชอรี่เชอรี่นะ คนนี้มาบอกหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อวันโน้นนะจะพักผ่อนเจ็ดวันเขาไม่ได้มาบอกนะว่าท่านจะเข้านิโรธสมบัตินะไม่ได้บอกหรอกมาบอกแค่ว่าท่านจะพักตอน <c oughs> แล้วคนไปลือเองอาจารย์จุนเป็นไงอาจารย์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 สร้าง อ, อกตั้งใจมีหน้าที่เป็นฆราวาสมีหน้าที่ทํามาหากินจะมาอ้างว่าจะปฏิบัติธรรมแล้วขี้เกียจหากินไม่ได้นะเพราะมีหน้าที่ทํามาหากินนี่ทํางานงจิตใจเกิดกิเลสขึ้นมาก็ค่อยรู้เอาอย่างบางคนบอกว่าไม่ค่อยมีเวลาปฏิบัตินถ้าได้บวชได้มาอยู่วัดแล้วจะได้ดูทั้งวันไม่จริงหรอก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 ดูเอาอย่างหมอติทํางานกับคนบ้าก็ทําไปนะ <c oughs> เป็นหมอโรคจิตก็รักษาไป <c oughs> ถ้าหมอรักษาไปแล้วหมอภาวนาไม่เป็นแล้วหมอก็ไปรับแอปสอบนะ <c oughs> เก็บขยะเข้าบ้านเยอะวันๆถ้าภาวนาเป็นนะก็ <c oughs> ไม่เป็นไรเพราะ <c oughs> งั้นทำงานนะ <c oughs> ก็ปฏิบัติได้ไม่ใช่ทํางานแล้วปฏิบัติทำไม่ได้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 ให้คอยรู้ทันมันแค่เกิดแล้วก็ดับไปในะเวลาคุณโปวดคุณก็สังเกตนะความโปวดมันผุดขึ้นที่เดียวกันนี้แหละเนะมันผุดขึ้นมากลางอกนี้แหละความโลภความโกรธความหลงอะไรก็ผุดขึ้นมาที่เดียวกันนี้แหละให้คอยรู้ไปนะเอ้าใครยังไม่ได้เรียนนะโอ้ไม่เคยเลยเหรอตอนนี้สงสัยรู้ไหม แล้วทำไมทราบว่าสงสัยอะ่ะเขไม่ทราบว่าอะไรจกเออเรื่งสีอะไรอะ่ะคือเ อ, อย่างที่บอกว่าเรารู้ทากาทาเออก็ไม่รู้ว่าอใจเนี้ยจะเอาเียตอนเนี้ย <ใจ S 1> รู้สึกไหม<ๆ>เราอินกับการพูดรู้สึกหมเ<ะ>นี่ยให้รู้ทันตัวเองแบบเนี้ยนะไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าอะไรมันเป็นคนรู้มันจะไปรู้ที่ไหนไม่ต้องสนใจหรอกแค่ให้คอยรู้ก็พอแล้วเนี่ยหนีไปคิดอีกล้วรู้ไห ม, มเวลาดีใจเคย ร, รู้ไหมดีใจ เสียใจสงสัยอะไรเงี้ยความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ไปเรื่อยๆง่ายๆ่าเห็นไหมอินอีกแล้ว ย, ยินอีกแล้ ว, ลว <c oughs> ดูออกอยังทําไมรู้ว่าอินน่ะเห็นไหมไม่ใช่ท่าทางในใจเราเนี่ยรู้สึกไหมตอนเนี้มันเหมือนตื่นขึ้นมารู้สึกไหมแล้วทําไมรู้อ่ะว่าตื่นเห็นไหมมันรู้เองหรอกเห็นไหมไม่ต้องถามเลยว่าทําไมรู้อ่า มันรู้เองเนี่ยอยากพูดอีกแล้วรู้ไหม เ, เป็นไหมทนไม่ไหวแล้วรู้สึกไหมอ้ อ, อ, อเป็นการที่ว่าเรารู้หรือว่าเรานึกหรือว่าเราคิอเนี่ยให้รู้ว่ากำลังสงสัยไปเลยถ้าหากรู้สึกเนี่ยเราจะรู้สึกกายรู้สึกใจถ้าคิดเอานึกเอานะจะรู้เรื่องราวรู้เรื่องราวเนื้อหาสาระที่คิด ถ้ารู้เรื่องราวที่คิดเรียกว่ารู้สมมุติบัญญัติถ้ารู้ว่าจิตแอบไปคิดเนี่ยเรียกว่ารู้ทันลนะรู้จิตใจนิเกตไม่ชอบรู้เรื่องราวแต่ไม่ชอบรู้ว่าจิตแอบไปคิดนึกออกไหมเนื่ยต่อไปนี้นะ่จิตแอบไปคิดรู้ทันมันจิตแอบไปคิดรู้ทันมันฝึกแค่นี้แหละพอแล้วอยู่ที่เดียวกันหรือเปล่ามาด้วยกันอ๋อคุณอนุิชา ต, ะชาตนะนึกว่าอยู่ที่เดียวกันให้ไปเรียนกับอาจารย์สุรวัตร ยังไม่กี่หันไปดูเขารู้สึกไหมเราลืมตัวเราเองหรือออกไหมนะ เ, เรียกว่าขาดสติแต่ก็ไม่ใช่ว่าต้องมีสติตลอดเวลานะขาดสติไปแล้วก็รู้ให้มันไวหน่อยอย่างตอนเนี้ยลืมตัวเองอีกแล้วรู้สึกไหมลืมกายลืมใจตัวเองรู้แต่เรื่องที่คิดไปรู้เรื่องที่คิดอีกแล้วรู้สึกไหมไม่รู้ว่าจิตจะคิด